เรื่องราวสารานารู้มาพูดมาคุยกันเมื่อวันที่11มิถุนายนมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับนะของของไทยเรานะก็ก็คือหัวหน้ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชามีพิธีรับผุบรมราช อ, องกา ร, นะรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยนายสุรศักดิ์เพียรเวสเลขาธิการ สภาผู้แทนรัศดรเป็นผู้เชิญพระบรมราชโองการมานะ ท, ที่ทำเนียมรัฐบาลแล้วก็จะมีพลเอกประยุทธ์แล้วก็ในส่วนของภริยารวมทั้งแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะครับนะหลากหลายพรรคนะครับมาร่วมพิธีเพราะนั้นเราก็จะได้นายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะทุ่มเทการทำงาน ตามมาตรฐานจาริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาช น, เ ป, นเป็นสำคัญนายกตรกีก็กล่าวอย่างนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณนในทั้งสอวอ ส, อ ส, อสอที่สนับสนุ น, นให้ได้มาเ ป, เป็นรัฐบาลนะครับซึ่งตรง น, นี้ก็มีพักร่วมนะครับมาร่วมยินดีนะครับซึ่งพักร่วมรัฐบาลนี้มีอยู่18พักนะครับซึ่ง ก็ประกอบด้วยนายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์นายอดุธินชาญวิรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับนายวราวุธศิลปะอาชาประธานยุทธศาสตร์ของพักชาติไทยพัฒนานะครับหม่อมราชวงศ์จตุมมงคลโสนกุล นงเป็นหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทยนายเทวันลิ้มตะพัดรลบหัวหน้าพักชาติพัฒนานะครับนายชัดชวานคงอุดมก็เป็นหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยนะครับแล้วก็พลตรีทรงกฎทิพยรัตน์หัวหน้าพักพลังชาติไทยนายสมเกียรติสรลำหัวหน้าพักประชาพิวัตรในายคตาเทพ นะเดชเดชเรืองกุลหัวหน้าพักพลังไทยลักไทยนายมงคลกิจสุขสินธารานนทนะ์หัวหน้าพักไทยศิวิไลนะครับนายปีดาบุญเพลิงหัวหน้าพักครูไทยเพื่อประชาชนแล้วกพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงหัวหน้าพักประชาิยม มีนายพิเชษสถิลวาวะหัวหน้าพักประชาธรรมไทยนายภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปนายสัมพันธ์เลิอดดุวัฒหัวหน้าพักพลเมืองไทยแล้วก็นายลวีมาศชมาดลหัวหน้าพักพลังทำใหม่นายสุรทินพิจารณหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่แล้วก็มีพักที่19บเก้านายดำรงพิเดชหัวหน้าพักลกักเพลินป่าประเทศไทย นะซึ่งตรงนี้นี่ก็มีพรรคต่างๆพรรคเล็กพรรคน้อยมาร่วมนะครับนาน่วมเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะครับนะว่าในส่วนของโผคอ บ, บอเนี่ยนะครับจะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็มันยังไม่ไม่นิ่งนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับนะกลับไปกลับมาเหมือนกันว่า ผอคลมจ ะ, จะเป็นใครบ้างนะครับในการที่จะมาร่วมในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายส่วนนะครับในส่วนของร อ, องนายกรัฐมนตรีนี่ก็อย่างที่มีข่าวนะมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะในดรวิศนุเครืองามดรสมคิดจาตุศีพิทักษ์นะครับ นายจูลินลักษณะวิสิทธ์และก็นายอนุทินชาญวีรกุลุคนเหล่านี้จะเป็นรองรองนายกรัฐมนตรีนะครับรองนายงตรีนะครับส่วนโคต้ารัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนะก็จะมีนายอุตมะสาวนาย น, นะครับก็จะคุมกระทรวงการคลังนะครับนายสนธิรัตน์สนจิระ บงก็จะอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของนายสุวิทย์เมษินรีนะครับก็มีข่าวว่าจะเป็นอุดมนะอุดมศึกษานายกอบศักดิ์ภูตากูลก็จะเป็นกระทรวงไอซีนะมีข่าวอย่างนั้ น, นแล้วกับก็มีนายสมศักดิ์เทพสุทิ น, นได้ข่าวว่าจะมาเป็นน้ำตีกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะส่วนในส่วนของประชาธิปัตย์นี่ก็จะ เป็นนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยเป็นรองนายกตีควบรัฐมนตรีพาณิชย์แหละครับแล้วก็ในส่วนของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะครับแล้วก็นายจุติไกรเลิกก็เป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมนในส่วนของของประชาธิปัตย์นะครับส่วนภูมิใจไทยก็นายอนุทินชาญวิรกูลนี่ยรองนายกแล้วก็ควบรัฐมนตรีสาธารณสุข นะครับแล้วก็นายศักดสยามชิดชอบจะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็จะเป็นรัฐมนตรีการท่องเที่ยวนะครับนะเพราะนั้นนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นรัฐมนตรีโคต้าใหญ่ๆนะครับที่ที่เราให้ความสนใจกันนะครับว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีอะไรกันบ้างส่วนพักชาติไทยนี่ ในเวลาวุฒิศิละปะาชาเป็นรัฐมตีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องติดตามดูนะน่าสนใจเหมือนกันรับฟังเพลงสักเพลงก่อนจะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ความหลังครั้งเคยโง่เคลาความเศร้าลอยลำน้ำทีสาวสมทอนหัวใจรักเจ้าทุ่มเทผี่นุ่มร่อนเรศปุเพสร้างสันชวนชีแห่งความหักใหม่อาไม่ลุ่มนาะลลำที มีมนคลังฟังในฤดีน้องนี้ ด้วยทีสาวยโสธรหัวใจงำงอนอยู่ในโปรดเธอดวงใจโปรดมอบหัวใจให้พี่มอความพักใหม่ฮักใหม่ลุ่มงามลำชีจากนุ่มไทยหากไรล้นตรีร้อยปี คงบ่เลย ให้พี่มอบความฮักใหม่ฮักใหม่ลุ่มน้ำลำธีจากหนุ่มไทยหากใครหล่นปรีร้อนปีพี่คง พูดมาคุยกันต่อนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาในส่วนของรัฐมนตรีนะครับณนะตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนกันก็ต้องดูที่ทีมเศรษฐกิจนะครับนะทีมเศรษฐกิจนี่มีความสําคัญนะครับนะเพราะว่าจะต้องดําเนินนโยบายต่อไปนะครับโดยเฉพาะกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชยนะ์กระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมนะเป็ น, เ ป, นเป็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับ การคลังนี่จะมีมาตรการที่จะเดินเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการของรัฐหรือเขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการคนจนต่อต่อหรือไม่นะครับเพราะว่าต้องต้องให้ในส่วนของรัฐบาลคลเรอมอชุดใหม่เป็นคนเคาะนะครับเพราะต้องใช้งบประมาณนะที่มาช่วยเหลือคนจนนะครับนะเป็นบัตรสวัสดิการเติมเงินแล้วก็ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคตามร้านค้านะครับนะร้านค้าที่ ที่มีเครื่องในการลูดบัตรนี่แหละครับนะตอนนั้นตรงนี้นี่คงต้องต้องจับตาดูนะครับนะโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับดูแลเรื่องนี้อยู่ส่วนกระทรวงพาณิชย์นี่คงต้องดูฝีมือของปรชาชญิปัตย์นะครับในในเรื่องของอาการที่จะยกระดับราคาสินค้าทางการเกษตรอย่าราคายางราคาข้าวนะครับราคาอ้อยราคามันนะครับนะถ้าสินค้า ทางการการเกษตรนี่ข ย, ยับตัวสูงขึ้นก็จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นแหะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็พึ่งพาเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้าทางการเกษตรเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร น, นะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวก็ต้องตามติดตามดูแหะครับนะพราะมีรัฐมนตรีก็น่าจะเป็นคุณชูดินลักษณะวิสิทธิ์นะครับนะซึ่ง ปฏิปัตินี้ก็อยากจะมาแก้ปัญหาราคายางนะของพี่ดองภรรคใต้ซึ่งเป็นฐานฐานเสียงเหมือนกันนะครับนะเพราะ น, นั้นคงจะต้องดูกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งเรื่องของการเพิ่มการส่งออกนะซึ่งตอนนี้ไทยเราก็เจอมรสุมเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะซึ่งมีการตั้งกำแงพงภาษีตอบโต้กันไปมาก็จะกระทบต่อไทยเราใ น, ใ น, ใ, นในที่สุดแหะครับนะอย่างเช่น สินคา้าของจีนถ้าส่งเข้าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ก็จจะทะลักเข้ามาไทยเป็นสินค้าราคาถูกด้วยเจ้ากัก็จะกระทบกับสินค้าเราด้วยนะแล้วเราผลิตแล้วเราส่งออกเราอาจจะเจอกำแพงภาษีพ่วงไปด้วยเหมือนกันว่าใ น, นค ง, ต, งต้องพยายามนะครับรัฐมนตรีคงจะต้องพยายามที่จะนะแก้ปัญหานะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกนะจะเพิ่มอย่างไรรวมทั้ง เรื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของของประเทศของเราเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยมาเที่ยวนะไทยเพราะจีนนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่มาเที่ยวเนี่ยจะเพิ่มปริมาณได้อย่างไรเพราะจะเป็นรายได้เข้าเข้ากับประเทศซึ่งเราก็มีคู่แข่งนะ ท, ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียนที่สนที่สําคัญก็คือกัมพูชาซึ่งมียอดนักท่องเที่ยว จากจีนจากญี่ปุ่นอะไต่างๆนี้มาเที่ยวสูงอยู่แล้วนะครับนะมาเที่ยวนครวัดนครทมเราเราจะทําอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมโยงกันตรงนี้นี่ก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่จะต้องแก้ปัญหานะครับแล้วก็รวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องคามนาคมนี้ก็มีโครงการขนาดหมื่นหรือแสนล้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ยัง ต้องพัฒนากันต่อต่อเนื่องนะรถไฟที่เชื่อมโยงสนามบินหลักๆนะครับนะเพราะนี่ตรงนี้นี่เราจะเห็นว่ามีโครงการระดับแสนล้านเลยนะครับคมนาคมนี่นะครับนะรวมทั้งการปรับปรุงสนามบินอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็คงจะต้องดูรวมทั้งมีการจับตาเดียวกับเรื่องของสาสุขดิภูมิใจไทยมาดูนี่อาจจะมีกัน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 ฉันเบลไปแห่งไหนก็ยังได้เจอแล้วนี่เธอก็เป็นคนสวยใช่ไหมเกลียดฉันเกลียดคนสวยทั้งนั้นเพราะเชื่ออาจารย์ท่านสอมให้จำใส่ใจเกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นเกลียดเกลียดเธอแล้วกัน ฉันคงได้สมดังใจเกลียดที่ฉันรักเธอมากไปเกลียดจนหมดหัวใจก็คงได้รัก เกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นเกลียดเกลียดเธอเหล้วกันฉันคงได้สงดันใจเกลียดที่ฉันรักเธอมากไปเกลียดจนหมดหัวใจก็คงได้รัก